นี่ปัญหาข้อต่อไปเนี่ยนะปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาเออตรงนี้ดีเนาะในข้อ497หน้า281พระมาหาโกธิตะถามว่าก็แลปัจจัยเพื่อทำให้เกิดความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิ เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแบบปัญญานี่ดีเหลือเกินเนี่ยยายธรรมมันต้องรู้ด้วยปัญญาจากสุปัญญาก็เพื่อประโยชน์แก่การรู้ยิ่งเพื่อประโยชน์แก่การกําหนดรอบรู้แล้วถามว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญญามันคืออะไรอู้ดีเหลือเกินเนี่ยปัญญาอยากมีมั้ ง, งนะนะมายังไงเนาะปัญญาเนี่ยนะภาษารีบ่บทเขาบอกว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างนี่แหละคุณปรตโตจะโคโซหรือว่าปรตโตโคโซจะโยนิโสมนสิการ ประโตโคโซก็คือโยนิเสียงแปลว่าง่ายๆฟังทำการเสียงกล้องจากคนอื่นก็แปลว่าฟังะนะคนอื่นก็พูดให้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นมาได้เลยนะสโยนิโมสมนัสการการใส่ใจอย่างมีเหตุผลหรือว่าใส่ใจอย่างถูกต้องเนี่ยนะนะแปล ง, ง่ายๆว่าฟังแล้วก็คิดคิดยังไงคิดตามที่ฟังนั่นแหละนะ เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลที่ถูกต้องแค่คิดตามมันก็ฉลาดแล้วเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าถ้าเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคิดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอุ้ยแค่นี้ก็ปัญญาเกิดขึ้นแล้วล่ะเนี่ยนะพอขอให้ได้ฟังแล้วก็ขอให้คิดตามคําสอนปัญหาว่าไม่ได้ฟังจําก็ไม่ได้อเอาอะไรมาคิดอย่างเงี้ยนะมันแบบจําให้มันได้แล้วก็คิดตามคําสอนบอกว่าจําไม่ได้เลยทําไงก็ฟังจนกว่าจะจําได้จําไม่ได้ก็ไปท่องแล้วกันถ้าท่องไม่ได้ นะก็เปลี่ยนเรื่องคุยเหอะว่างั้น <c ười> คุยเรื่องอะไรนะกระวงอิติพิโสก็ได้เนี่ยนะคืนนี้สรุปว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญญามีสองอย่างก็คือฟังดัะคิดเนี่ยนะฟังโยนิโสมนัสิการก็คือการใส่ใจเนี่ยนะนะก็คือเอาสิ่งที่ฟังนะั่นแหละมาใคร่ครวญมาค้นคิดมาพิจารณาเนี่ยฟังให้มีข้อมูลพร้อมคําว่าฟังเนี่ยแปลว่าการหาข้อมูลหาข้อมูลจากบุคคลอื่นจนเพียบพร้อม โยนิสโสมานาสิการก็คือการประมวลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะการประมวลข้อมูลทั้งหมดมารู้ตามพิจารณาตามคิดตามไตรครวณตามตามที่มีข้อมูลอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีข้อมูลมนะไปคิดคิดคิดสิใช้ความคิดสิเอาอะไรมาคิดเนี่ยนะก็คือเอาอะไรมาคิดอ่ะมันว่าอะไรนะอยากได้อะไรก็ซื้อเอาสิซื้อเอาสิมีตังซักบาทเอาอะไรมาซื้ออย่างเงี้ยไง มันสรุปว่าปัจจัยสองอย่างทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็คือการฟังกับการคิดเนี่ยนะการฟังแล้วก็เก็บเอาสิ่งที่ฟังนั่นแหละมาคิดในอัตถกาานหา้า3รที่บอกว่าเสียงจากผู้อื่นก็คือการฟังทำเป็นที่สบายใช้คำฟังฟังเป็นที่สบายเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรถ้าฟังแล้วเครียดเลยเนี่ยฉลาดขึ้นไมอย่างว่า ถ้าแจะยากเพราะฉะนั้นฟังที่เราฟังแล้วเรามีความสุขนะเขาเรียกว่าอย่างบางคนก็บอกโอ้ยธรรมะนี่ทําไมมันเรียนยากเหลือเกินแบบคุณฟังวิชาไหนแล้วสบายใจนะฟังอันนั้นมากๆเดี๋ยวมันก็ฉลาดเองละเชื่อเหรอเนี่ยนะเพราะเขาไม่สอนให้โง่หรอกถ้าคําสอนจริงๆของพระพุทธเจ้านะท่านไม่สอนให้เราเขลาอยู่ตลอดไปหรอกฟังไปเรื่อยๆ เ, เ, เนี่ยนะฟังเดี๋ยวมันก็จําได้เองจะไปเกินร้อยปีได้ยังไงอ่ะไห ไม่เกินแสนกลับดอกเชื่อเถอะถ้าปรารถนาเป็นเอตทัตข้าคอยไม่ได้ฟังเธอเนี่ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าฟังในสิ่งที่เราชอบฟังฟังแล้วสบายใจเบื้องต้นคนที่ฟังคาถูกต้องเนี่ยนะฟังแล้วสบายใจนี่เป็นเครื่องตรวจสอบถ้าฟังแล้วสบายใจก็ฟังต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจแต่สบายใจมันดีแล้วละ่ะถ้าสบายใจบ่อยๆแล้วปัญญามจะเกิดเองแต่ถ้าเครียดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอย่าว่าเข้าใจเลยเดี๋ยวเลิกแล้ว่เชื่อเอะถ้ามีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาฟังธรรมท่านนะ ฟังมาแล้วสิบสองชั่วเขาว่าอะไรนะฟังนั่งกัก่เช้าจรดเย็นเช้าจรดเย็ๆๆนเนี่ย น, นะก็มาแอบนึกในใจหลายคนนี้ไม่นานมันจะเลิกแล้วเกือบทุกคนที่เป็นแบบนี้เลิกเกือบทั้งหมดเลยก็ถามว่าทําไมบอเอางี้อ่าเขาบอกว่าบางคนก็มีอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยนะเอางี้ของมาเนี่ยชอบไอ้เมื่อก่อนเนี่ยชอบไอ้น้ำไอ้เฮเบรูบอยมากเลยอุยโปรดปรานเป็นพิเศษเนี่ยนะนะมีน้ําแข็งหน่อยแล้วมาผสมละลายชอบเนี่ยนะ ทานเข้าไปกระติกเดียวโยมเอ้ยเนี่ยนะแล้วอาเจียนตอนหลังนะได้กลิ่นเนี่ยนะแทบจะอาเจียนซ้ําอีกรอบหนึ่งเลยถามว่าทําไมเอ้าก็น้ําหวานอร่อยไม่ใช่หรือมันก็อร่อยแต่ว่ามันเกินไปน ะ, นะนะก็อะไรที่มันเกินไปลองแบบว่าอะไรนะเราเมื่อก่อนก็ชอบอะไรหนึ่งมาม่าอุ้ยโปรดปรานมากเลยชอบมากทีนี้มันก็ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเขาให้มาม่าไปเป็นลังเลยแล้วไม่ต้องบินท้บาดด้วย โอ้ยเช้ากับมาม่าเพลงกับม า, าบม่าเช้ามาม่าเพลงกับมาม่าหมดไม่กี่ลังเองอะโยมเอ้ยเห็นมาม่านี่อีกแล้วเหรอเนี่ย น, นะก็อีกช่วงหนึ่งก็เหมือนอปลากระป๋องบางอย่างก็เหมือนกันเนี่ยนะคืออะไรถ้ามันเกินไปมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าไอ้พอดีเนี่ยมันแค่ไหนอย่างเราข้าวเนี่ยเราทานจนสำลักไหมไม่เราก็จะทานแต่พอดีแล้วก็ทานมาเรื่อยๆฉันใดการฟังธรรมก็ใช้ระบบเรื่อยๆนั่นแหละ ให้แล้วก็ให้ต่อเนื่องระยะยาวถ้าอย่างนั้นนะประสบความสำเร็จแต่ถ้าฟังฟังจนหูชาเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็หมดเส็จก็เหมือนอ่านพระตรปดฎกนน เ, เนี่ยอ่านเถอเนี่ยอ่านทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนอนนะเสร็จหมอตาแล้วคัเนี่ยะนันก็เลยอดอ่านเลยนะ มันก็คือเอาอความพอดีเนี่ยหาให้พบเนี่ยนะการฟังธรรมก็เหมือนกันเพระฉะนั้นใช้คําว่าฟังแล้วเป็นที่สบายฟังแล้วสบายใจถ้าฟังแล้วสบายใจก็ฟังได้เรื่อยๆก็ไม่เป็นไรถ้าฟังแล้วแหมมันหนักใจเหลือเกินก็ไปทำหลังอื่นบ้างไปสวดมนต์บ้างไปทําอย่างอื่นบ้างไปบูชาไปไหว้พระเจดีไปอะไรก็ได้ที่เรียกว่าส ล, สลับสลับเปลี่ยนกันไปพร้อมแล้วค่อยไหว้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าหนักเครียดหนักอกหนัก ใ, ใจและเชื่อเหอดียวก็เลิก นี่พอเครียดไปเรื่อยๆตอนแรกก็ทนสู้ทนก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นภาระเมื่อไหร่นจะดนำไม่นานออเนี้ยก็เลิกแล้วก็เลิกจริงเลิกมาเยอะแล้วก็มาเขาบอกว่าใครมาฟังบอกหฟังของท่านจริงๆเลยฟังมาสิวันหนึ่งฟังต้งเป็น10บสชั่วโมงอย่าว่ า, ามายิ้มเลยนะามารู้เลยคนนี้จะเลิกเรียนแล้วเนี่ยนะแล้วก็ถูกคัดออกเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ก็หลายๆปีเข้าเราก็จะเห็นเยอะแล้วเ อ, อเดี๋ยวก็เลิกคนหนึ่งเลิกไปคนนี้ก็เลิกอีกเพราะอะไรเพราะมันเกินไปเนี่ยนะ ทีนี้ต่อไปอีก น, นะท่านพระสารีบุตรท่านบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือฟังธรรมกับโยนิโสมนสิการเนี่ยนะโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยอุบายวิธีการที่ถูกต้องปัจจัยสองอย่างเนี่ยสำคัญโดยที่สุดแม้แต่พระสารีบุตรเถระตรงนี้นะบรรทัดที่3หน้า3าเนี่ยบอกชัดเจนเลยใช่ว่าปัจจัยสองอย่างย่อมควรแม้แต่แม่ทัพธรรมคือพระสารีบุตร นณะระดับภาษารีบุตรยังจำเป็นต้องมีปัจจัยสองอย่างเหล่านี้เพราะอะไรเพราะถึงท่านจะบำเพ็ญบารมีมาตั้งหนึ่งอสงไขยแสนกับก็ไม่สามารถจะละกิเลสแม้แต่นิดเดียวโดยธรรมดาของตนต่อเมื่อใดได้ฟังธรรมแล้วนั่นแหละฟังธรรมฟังอริยสัจนะ ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมก็คือสมุทยัยทุกขสัตย์จะมีสมุทัยเป็นแดนเกิดมันท่านฟังอริยสัจตับรู้เลยว่าธรรมคือสิ่งที่เป็นปริญญาสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละเป็นต้นท่านก็ทำให้แจ้งอริยสัจได้พระปัจเจกกับพุทธเจ้ากับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ไม่เกี่ยวกับการ ฟังแล้วจึงจะบรรลุเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะท่านมีโยนิโสมนสิการเพราะท่านอ บ, บรมอ บ, บรมเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้เพื่อการละเพื่อการทำให้แจ้งมามากแล้วเนี่ยนะจิตของท่านก็น้อมไปเพื่อแพงตลอดอริยสัจทั้งหลายเนี่ยนะนะอันปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญานี่มีอยู่สองอย่างที่นี้ คำถามข้อต่อไปคำถามที่13หน้า282ดเนี่ยน ะ, ะด้วยองค์เท่าไหรล่ะครับสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องที่ประคับประคองหมายค่ะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะตัวต้องอาศัยปัจจัยเท่าไหร่ปัญญาคือตัวนี้เน้นกับมัคคปัญญาเนี่ยนะมัคคปัญญาเนี่ยต้องมีปัจจัยเท่าไหร่อุดหนุนจึงจะบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมได้เนี่ยนะ คือเจโตวิมุตตมีเจโตวิมุตตเป็นผลมีเจโตวิมุตตเป็นอนิสงสมีปัญญาวิมุตตอ่าเป็นผลปัญญาวิมุตตเป็นอนิสงผลของสัมมาทิฏฐิหรือผลของปัญญาเนี่ยก็คือเจโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตต์ที่นี้ไอ้สัมมาทิฏฐิตัวนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่เท่าไหร่ที่มาอุปธรรมเป็นปัจจัยอุปธรมเนี่ยนะที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บรรลุ อริยผลทั้งหลายเหล่านั้นเพราะสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคที่นำมาซึ่งอริยผลมันต้องมีปัจจัยมาแวดล้อมเท่าไหร่พระสารีบุตรก็ตอบว่าด้วยองค์ห้านี้แหละคุณองค์ห้าหรือปัจจัย5ประการสําคัญมากที่ทําให้สัมมาทิฏฐิ ท, ท, ท, ที่บุคคลประคับประคองแล้วมีเจโตวิมุตตเป็นผลมีเจโตวิมุตตเป็นอนิสง์มีปัญญาวิมุตตเป็นผลมีปัญญาวิมุตตเป็นอนิสง์ องห้าคืออะไรบ้างข้อแรกปัญญาคือสัมมาทิฏฐิมีศีลประคับประคองคือมีจตุ ป, ปาริสุทธิศีลเนี่ยเป็นตัวมาประคับประคองสองสุตะการฟังธรรมที่เป็นสัพปายะประคับประคองสามสากัดฉาการสนทนาธรรมอะนะป้องกันความเข้าใจผิดเนี่ยนะการฟังธรรมเพื่อเกื้อกูลให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นประคับประคอง การสนทนานะสาเอ่อสมาบัติเนี่ยนะสมาบัติเป็นตัวประคับประคองตกไปอันหนึ่งหหคือวิปัสนาประคับประคองคือมีอยู่หอย่างหนึ่งศีลสองสุตะสสนทนาสากชาเนี่ยนะสสมัะห้าวิปัสนาเนี่ยนะทั้งศีลสุตะการสนทนาสมัฏวิปัสนาทั้ง5้าอย่างนี่แหละ ที่เป็นตัวประคับประคองเป็นตัวปัจจัยเกื้อกูลให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเจริญแล้วก็สำเร็จเป็นเจมีผลเป็นเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิที่เจริญโดยอาศายัยองค์ทั้งห้ามาประคับประคองผลของสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอนั้นก็ได้เจโตวิมุตต์เป็นผลอ น, นิสงมีปัญญาวิมุตตเป็นผลเป็นอ น, นิสง อันในอันตถกาานหน้าสามร้อยเก้านี่ยนะนับขึ้นจากล่างประมาณเจ็ดแปดบรรทัดนั่นนะหรือกลางหน้าก็ได้บอกว่าสิ่งที่เกื้อกูลสัมมาทิฐิแต่ตรงนี้เน้นพิเศษก็คือเน้นอะไรเน้นอรหัตตมรคสัมมาทิฐิเพราะอรหัตตมรคที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแห่งอรหัตตผลแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดอรหัตตมรคคืออะไรก็คือธรรมะห้าประการนี่แลที่ก่อให้เกิด อรหัตบันลุอรหั ต, ตผลเนี่ยนะหอย่างมีอะไรบ้างทบทวนคือศีลเกื้อกูลศีลหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลสุตะการฟังหมายถึงการฟังในธรรมเป็นที่สปายะเป็นที่สบายเนี่ยนะเกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสสนาสี่สาขาการสนทนาเพื่อตัดความเข้าใจผิดพลาดในการเจริญกรรมฐ า, านสีการเจริญสมถะคือวิปัสสนาสมาบัติทั้ง8ด ที่รองรับวิปัสนาแล้วก็อนุปัสนาทั้งเจประการเนี่ยนะอเิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนานิพพิธานุปัสนาวิราคานิโรทนุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสักานุปัสนาในหน้าสามสิบอกว่าก็แหละพระอรหันตมรรคย่อมเกิดขึ้นแล้วให้ผลแก่ผู้กําลังบําเพ็ญศีลอันหมดจดคือจตุปาริสุทที่สีสี่ประการ ฟังเรื่องราวอันเป็นที่สัปปายะตัดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดในกรรมฐานแล้วก็สมาบัติแปดที่รองรับวิปัสนาอบรมเห็นด้วยอนุปัสนาเจ็ดอย่างพันกิจทั้งห้าอย่างห้าข้อนี่เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอย่างคนที่อยากจะกินมะม่วงสุกหวานติดส้มน้ําไว้รอบต้นมะม่วงเอ่อติดส้มน้ําไว้รอบแล้วก็รอบลูกต้นมะม่วงอย่างมั่นคงถือหม้อน้ํารดน้ําเป็นครั้งคราวตามการ แล้วก็ต่อไปสร้างคันกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกไปที่อื่นว่าอย่างมั่นคงเสถาวนที่อยู่ใกล้ๆท่อนไม้แห้งรังมดแดงเป็นต้นก็เอาออกไปห้าใช้จอบเนี่ยพรวนดินตามการเมื่อระเวท ร, ระวังทํากิจครบห้าอย่างดังกล่าวมะม่วงก็จเจริญศีนเหมือนอะไรเศษจตุปริสูที่เีษก็เหมือนกับติดซุ้มรอบก็แปลว่าทารัว้ว รั้วเนี่ยนะรับกมรรมรั้วให้สวนมะม่วง2การฟังธรรมก็เหมือนกับการรดน้ำตามการสี่ส ม, มะถะก็เหมือนกับความทำให้มั่นคงด้วยคันเนี่ยนะครว่าก่อให้มันดีแล้วก็สี่ขจัดความผิดพลาดก็เหมือนกับการเอาเถาวัลย์ไปต้น อ, อส่วนการเจริญปัญญาในอนุปัสนาเจก็เหมือนกับการพรวดดินตามการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อให้สำเร็จผลเป็นมะม่วงออกลูกมาเป็น ผลใช่ผลของการเจริญศีลเจริญสุตะเจริญสมรทะมีการสนทนาอบรมวิปัสนาทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับการทากิจห้าเนี่ยนะเป็นปัจจัยสำคัญเกื้อกูลให้สาเร็จเป็นพาหาันให้สำเร็จเป็นอรหัตผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จากคำถามคำตอบตั้งกับเบื้องต้นจนเบื้องปลายก็ จบลงด้วยอรหัตตะผลก็ถือว่าสำเร็จเป็นผ้ า, ารหั์ส่วนวันต่อไปก็จะมากล่าวว่าผู้ที่เป็นผ้ า, ารหัรจะเข้าสมาบัตอะไรอย่างไรต่อไปบ้างนะนะมันก็คิดว่าวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นั่นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยเวทั ล, ละปัญญาเหมือนกับพระมหาโกธิตะเช่นกับภาษาริบทโดยท่วนกันเนี่ยนะมันก็ปัญญาเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยปัญญาเหล่านั้นโดยท่วนกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้จ น, นพร้อ